พระบัญญัติ1225ก็ภิกษุณีใดไม่มีผ้ารัดฐานเข้าหมู่บ้านต้องอาบัตปลาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ